สำหรับการเจริญพระธรรมทานความสำคัญที่สุดก็ดอยู่ที่ความเข้าใจถ้าว่าเราเข้าใจไปแล้วผลของการปฏิบัติก็มีผลดีสำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระธรรมทานนี่มัเกื่อสร้างความเข้าใจกันถึงไม่มีผล มักจะถือเอเวลาหลักการภาวนาเป็นสาคัญเราจะเห็นได้ว่าในสมัยพระองค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาเทศจบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้บรรลุมรรคผล แล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าในสถานที่ใดที่ท่านทั้ที่รับตาจะําสอนองค์สมเด็จพระจอมใจแล้วก็ไปขมักขมึนเร่งการหลับตามากกว่าการคิดความจริงธรรมะขององสมเด็จพระธรรมสามมิที่จะมีผลจริงจอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อขนานหลายเหล่านั้นฟังเทศจากพระพุทธเจ้า ฟังแล้วใช่ก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นคิดก็ตักีเลสเป็นสมุทเทสสะพานฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์สมเด็จตะสถมาสมเด็จเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องหลับไปใช่เลยมีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วให้อารมณ์นี้ไปที่จารณายใส่วรือตามปกติใม่าติอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิเละเดะสมุตรเกิบประหารได้สำหรับวันนี้ก็จะขอย้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญ ก็การพูดเรื่องรูปเสียงสิ่งเราเคสัมผัสเรื่องใหญ่จริงจริงที่พระพุทธเจ้าใช้สกิรูปมาดูตัวอย่างที่ท่านเด็กนว่าองสมเด็จพสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระพายะว่าพาหียะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วทรงทำจิตเชยงตัว่าเห็น พระพุทธเจ้าตรับเพียงเท่านี้รากบุตรพระราพา่ายสมรตอาราธับผลพร้อมไปดูเตรีสัมมิถายา น, นท่านสมฤตยางไงถ้านีา้เพราะว่ากำลังใจของพระพ่ายานั้นพร้อมแล้วที่รับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจ ทาานี้ก็พ่าตามที่ตัดว่าพายะเธอเห็นรูปแล้วจงทาความรู้สึกกันว่าสักว์ว่าจิตหมายความว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปว่ารูปเป็นอน้าตาคำว่านาตานี่เป็นตัวสุดท้ายรูปเป็นอนิจจัง น่าความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกครั้งสภาวะของรูปมีมการตรงตัวและก็รูปเป็นยนาตามีการสลายโทเป็นอันทสุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัจจนาญาณื่อเราฟังอย่างนี้แล้วก็พาิจ ว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปแป็นอนิจังฟังแล้วต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันแปรนอนิจังมันไม่เที่ยงตรงไหนใช้อารมณ์ครามให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายเขาคนอื่นมันตรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวยื่ส่วนใหญ่ของคนมาเจ็ดทิศเ ย, ยางนี้ทั้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นไปทุกๆวินาทีที่เคลื่อนไปรู้ว่าทุกๆุกขณะลมให้ใจเข้าให้ใ จ, อ อ, ใใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนเล็งภาพออกมาทีแรกมันเล็กนิดเดียวการช่วยเหือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้ก็มันยังเล็กมีกำลังไม่พอ แล้วต่อมาภายในไม่ช้าเหล็กคนนั้นคลิกความได้คิกหงายได้จุดนี้เราไปจะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องโตตอนนังแหละมันขยับขยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูดเคยช่วยเหลือตัวเองคลิกความพลิกหงายไม่ได้มันก็มันต้องเป็นอย่างนั้น แล้วต่อมาร่างกายของเด็กมันก็เริ่มโตมา่ทีละน้อยละน้อยที่เราตั้งเึืความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถึงตอ น, นมีวันเพียงไหมถ้ามันเพียงมันโตขึ้นมันได้ยังไงเถ้าอาศัยการเคลื่อนไปของมันเพงเรียกความไม่เพียงเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้ว ความเชื่อมันก็เกิดความซุดซมไหลเข้ามาทีเดน้อยเด่นน้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามามีความของใสผู้ร่างกา ย, ยค่อยๆจะไหลายตัวไปมีแต่ความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งนานเท่าไร่ความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้น ในที่สุดเต่ามองปลายกดทัดจนกรทั่งในปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างามอายุย่างเขวี้ยงสี่สิบห้าสิบดูไม่ได้แล้วลายจึงคนไม่มีราคานี่เราเห็นว่ารูกเที่ยงหรือไม่เที่ยง ให้รูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมและในที่สุดรูปก็มันมีความหมายสำหรับบุคคลไดคือมันตายตัวนี้เราพิดจะนากันในคำว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นนิปพินนายานในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูป ยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารูปคนนั้นสวยรูปคนนี้ดีราตรีนายอยากจะได้เอาเข้ามาเป็นภูกิองเราในรูปของเราเนี่ยมันจาวะเลวมันจาตามขนาดไหนก็ตามจะเืียงจะทรงเท่าไรก็ตามเราก็ไม่เคยคิดถึง คิดถึงว่าโลกเรา ม, มันดีอยู่เสมอในคำว่าดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรก็าจึเห็นว่าดีความเสื่อมความโทรมมันมีเป็นปกติตามมีเห็นโลกโลกเราก็สามารถเห็นได้โลกของคลอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆที่ใ่มีชีวิต มันใหม่แล้วว่าเก่าเก่าแล้วก็ฟังเราก็ห็นได้หูเคยด้ยินเสียงก็พูดในตอนนี้เสมอที่ความเปลี่ยนแปลงของลกูกการสลายตัวของลกูกเป็นอันว่าตาก่าการรอตาดีหูก็หูดีแต่สภาพักที่ไม่จำต่างความเจริงก็เพราะาใจมันทั่ว ใจมันไม่ยอมรับทับถือความเป็นจริงถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้จี่ใจแก้ที่แรกแก้ง่ายๆหาความไม่เที่ยงทามันครบเส้ยก่อนที่เป็นได้คุยปััชนาญาณพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้พิจารณาไว้เดินไปในที่ทุกสถาน เห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุมองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุที่ไหนบ้างที่มันมีสภาพเพียงมันมีสภาพคงตัวเป็นปกติ บางทีท่า น, นหลายทเห็นว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรปิ่นจินดามีสภาพเสี่ยงแต่ความสดใสมันตรากดมันเป็นธาตุที่มีความซึ่งแข็งมันเที่ยงเท่าความสงศาสควาสดใสของใสม่มาเที่ยงเพราความสวยอาศัยความแก่ใส่เป็นสุ ข, ขัยเราลงปล่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมัน โดยไม่มีการระวังษ า, าเหตุที่มีสภาพแจม่มใสความแจม่มใสไม่อยากลายตัวไปเพราะพลโลออกมากกาะอ็มีละเอียดความแจม่มใสมันเที่ยงไหมมันหดตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและใ น, นที่สุดเมื่อสิ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ แต่เมื่อวันนี้เราก็มานั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งคบมันดีหรือเมื่อรูปเี่ยที่เราบรูชาว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุก ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวไปยึดถือมันมากเกินไปถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ใช้ลมจิตคิดถ้ามันถูกตาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้ย่างไง พระเดจจาวารูปไปเที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปมันเป็นทุกข์ก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปใจเราง อ, อย่าทุกและก็ในที่สุดรูปมันเป็นนาตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสําหรับใจของเรามันต้องเป็นนิจจังคือเปอารมณ์เที่ยง ใจของเราเป็นสุขรังคือมีอารมณ์เป็นสุ ข, ขใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวไมู่จิผิตบารื อ, อ, อะป่าก้อจริงใจมีสภาพเที่ยงเราจะเรียก ว, ว่าคนไรสัตว์ที่ตายพันตายแต่กายใจยังไม่ได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการซึ่งสวรรค์การลงนรกการเป็นผรมปานิพานมันก็ไม่มีมี่สภาพโค้ใจมันเป็นสภาพเสี่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีถ้าเป็นมีสภาพไปวุู้จักการสลายตัวแต่ถัอว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ของใส เราผู้ใจยาให้มันขุนัวเพราะเราจะดีหรือว่าเราจะชว่วมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามโนภุมฟังขมาธรรมามโนเสถามโนเมญญาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเบิกเบิกฝุดสำเร็จใจเราก็เข้ามาขัดที่ใจ อย่าเข้าไปขัดที่รูปเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มีความรู้สึกอยู่เส ม, มอว่าเราฝึกจิตไม่ฝึกกายเท่ากายเป็นนั่งแข่งกันฝ่ายฉันนั่งเด็หนายกว่าฉันยืนเร็หน้ายกว่าฉันเดินเร็น้ายกว่าฉันนอนทาวนาเร็หน้ายกว่าตัวนี้ยิงเล็วจัดมันเป็นมานะโกฏีตัวทีตน เป็นการโอ้อวดนําเอาบาปกิเลสเข้ามาใส่ใจนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีไอ้คําว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสง์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำของเราไม่ใช่ทำเป็นเครื่องเนินค้าต้องใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว แต่เร็วก็ไม่ใช่นนั่งเร็วนอนเร็วกินเร็วเดินเร็วแอ่ว่เร็วนั่นก็คือตามธรรมจิตใหไม่เกิดความเฉลหลาดให้จิตมันยอมรับนับถือขความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ท่านภายะท่านพิจารณาอะไรบ้างก็รูปตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเราตัดรูปจนได้ต um, yeah? mm ัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรืแล้วก็มันจะมีกลิ่นได้ไหมคือว่ารูปเวทนาสัญญาแสงขานิยมยานถ้ารูปมันไม่มีสักอย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาแสงขานิยมยานมันจะมีได้ทไหนเรื่องนัเราก็ตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดเฉลียว่าชาที่พุทธค้าความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปมันเกิดนี่เราพูดกันในแนวฟอรีสัตเวลาที่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเรามองไม่เห็นแต่ว่าตรีนี้ควรจะเห็นควรจะเห็น เมื่อเราเห็นภาพที่ว่าถ่ายรูปเจยบที่มีคันมันตั้งคู่เขาขึ้นมายันออกถ้าภาพแบบนี้ต้องนั่งจงอยู่ในคันข้อมันดานับเดือนเหยียดแสนเหยียดขาไปข้ามันดาถ่ายในก็ไปในคันข้อมันดาซึมมัโลกูกหรือไ่ก็เพาะที่อาศัย เ่อเต็มไปด้วยความสกปรกมัน hmm. ชุ Bron ่มไปด้วยเลือดเพราะนั้นเราลังไข่เสียปลากรดเกิดเป็นเด็กเรียกวันฮานาโมรติมันจะเป็นต่เลือดที่ผิวบางๆมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่และเจ้าเด็กที่เคยก็ใช้นั่งบนเบาะนั่นแหละเขาเรียกกว่าเบา ไใ้บ่อนี้ก็ชุ่มไปในเลือดภาในกายจึงไม่ไดเปื้อนตมลองนั่งคิดถึงเรภาพว่ามันสะอาดทำไมสกปรกถ้ามากกันสะอาดประจําเดือนของคนที่เขาเกิดออกมามันก็ไม่ต้องล้างมาแตร่ระความจริงที่เราเรียกว่าประจําเดือนถ้าเขายังไม่มีคันไม่เกิดออกมาไขาแ่แตกทิ้งเลา เจ้าฮานาวุติตัวที่เรามามันก็แตกแส ก, กมันก็เป็นเลือดออกมาความจริงมันก็จะถือว่าสกปกเกินไปสํปาหรับร่างกายต้งมีแต่เราถือว่าสกปรกเรปก็นธรรมชาติความจริงมันไม่มีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่เราว่าภายในมันสกปรกเราลงนั่งนะถือว่าไอการนั่งคุดโคแบบนั้นมันสนะดวกไหม มันสบายแล้วมันมันลําบากเราเห็นว่ามันลําบากถ้าเราไม่รู้มันจะไปจะลำบากยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเด็กในคันมันดาสัชั่วโมงไปยังไงไม่ต้องให้มันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหมถ้าทนได้มันทนแบบด้วยอาการฝืนก็เป็นไปตามปกติคําว่าทุกแปลว่าจําจะต้องทน มันมันนั่งด้การสินแล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานี่ถ้ามันดาไหวตัวแรงๆเกินไปวิ่งเร็วๆเดินเร็วๆเด็กในในหโวหสั่นหัวอนไม่มีความสุขมันดาชิงของร้อยเกินไปก็เกิดอาการกระสับกระส่าย เคยเคลื่อนไปเปรี้ยวเคลื่อนไปขึ้เคลื่อน ไ, ไปเด็กไม่มีความสุขแต่ว่าคนที่จริงคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กนะ้อยมันดาจะบอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานไม่เคลื่อนก็มีความทุก ข, ข์คนจะไม่ไหว แต่ความเข้าใจเขาท่านมารดาบอกคนเด็กแข็งแรงมันดินได้เป็นอันว่าเจ้านั่นต้องทนทุกข์เพราะความเข้าใจผิดของกันไม่นีน่มันทุกข์มันต้องอยู่ในท้องชาติทุกข์ใครมันทุกขนะ์อะไรกายมันทุกข์ถ้าไม่มีกายเสีแล้วสภาพยอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอตัวปวดตัวเมื่อยตัวอตัวอะไรพวกนีออ้มันจะมีได้อย่างไง เมื่อคลอดจะคันมันดาออกามาแล้วร่างกายที่อยู่ในครรภ์ของมันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอบ อ, อุอน่นพอคลอดออกมาจากคันมันดาเพราะอากาศภายนอกจะมีความหนาวจากร้อนจัดขวัญร่างกายก็เต็มไปด้วยความแสกเจ็จท้องร้องเด็กร้องมาหมอทำแก่บางคนชมไหมเจ้าเด็กคนนี้ดีสริงๆออกมาร้องชาเสียงดังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนี่มันแสบกปลียมากสมันร้องดังแต้ความเข้าใจของท่านหมอจำแย่สมัยโบราณใชออกมาใหม่ๆเลือดติดใจรีป อ, อ, อาบทามให้มันสะอาดไม่ก็เลยหนาวใหญ่สมัยโบราณนี่เพราะปัจจุบันยังมีความเข้าใจเด็กออกมาใหม่ก็าจะสารีเข้าไปห่อตัวทันทีไปรักษาความอบ อ, อุ่น ตอนนี้แล้วก็พูดกันแค่ในครนเท่านัะนชาดิพุทธคขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดขีดั้งมันก็มีความทุกติอย่างนั้นท่นเราจะจะแสวงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไมหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ขอความทุกข์เราก็ละเมิด หลายความดีให้จะไหลไปตรงความรู้เข้าไว้ลหลงไหลไฟฝันในรูปในเสีย ง, ยงในสลิ่นในรสในสัมผัสและก็อารมณ์ที่เกิดขั้วบริกรรมาาคนเราทำอย่างคิดอย่างนี้แล้วก็มีหวังการเกิดจะมีทีสุดหรือว่าเรามีความโลภโกรธสันในสักสิ ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเปฉลี่ยแล้วทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะช่วยชีวิตเราได้เมื่อเรามีความสุขในชีวิตยอยู่ให้มีความสุขส่วนบ้างเราอาศัยมันแต่ว่าพความๆ ท, ที่มันจะเ ร, ราใาศมันได้มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นํามาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็กเลื่อยการลมั่นระวังการวางแผน เป็นอันว่าตายแล้วแบบทำไปไม่ได้โวยไส้ามาสัมบายมีอารมณ์เปนทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุกขไม่ได้ถ้าเราก็คบกับความโกรธความเจ้ามาที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตากันตและอารมณ์ข้อนี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายก็ต้องมีภพพลภาพคนที่เนี่ยงกับเราจะต้องอยู่ตลอดกานตลอดสมัยทรัพย์สินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตก็เราทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เคยจะไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์โร ม, มันในใครเองม่นดาหาที่สุดที่ได้ นี่เป็นอันว่าวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจในคําว่าอดิจยังและคำว่าทุกขังในเรื่องตนมันยังไม่หมดยังไม่หมดกับความจริงถ้าพูดเท่านี้ใช้ปัญญาจริงจริงอารมณ์มันจะเข้าไปตัดชินเหลดได้อย่างมากถ้าเราใช้ปัญญานะถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรก็ไม่เกิดผล ดีไม่ดีก็าอะไรัญญาความจำนี่แหละไปโ อ, โอ้อดสบายเขากลายเป็นคนมีกิเลส น, นะเจนนั้นขอบันดาท่านาจนั่งไหลจงจำไว้ว่ารูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยังไม่ได้และรูปเป็นทุกขังมันเป็นปฏิสานทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือรูปของเรา ไม่ควรจะยึดถือรูปเขางมคนเองไม่ควรจะยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราจะออกหา่างจากความปรารถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเป็นได้แล้วคื่รูปคนรูปสัตว์โลกวัตถุ มีจิตแรงเกียียดชี้บาป่ันหลายเรานี้เป็นปัจจัยของความทุกขห์หาความุกไม่ได้เมื่อจิตใจท่านหลุดลอยจจลงในการขอรูท่านโกบเป็นซาอารันมันเป็นของไม่ยากละตอที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลงให้ใจถอนใจออก ให้สำภาวนาและพิจรารณาตามติย า, ายจจนกว่าจะได้ยนินสียงญาณบอกพดเวลา